สิกขาบทวิพังห้าร้ที่ชื่อว่าใหม่พระผู้มีพระภาคปรัสหมายถึงการทําขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่าเตียงได้แก่เตียงสี่ชนิดคือวงเล็บหนึ่งตั้งมีแม่แค่สอดเข้าในขาวงเล็บสองตั้งมีแม่แค่ติดอยู่กับขาวงเล็บสมตั้งมีขาดังก้ามปูวงเล็บสี่ตั้งมีขาจดแม่แค่คําว่าผู้จะทําคือพิกูจน์ทำเองหรือใช้คนอื่นให้ทํา คำว่าพึงทำให้มีเท้าเพียงแปดนิ้วโดยนิ้วสุขศนับแต่แม่แคล่ลงมาคือเว้นระยะใต้แม่แค่ลงมาภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเกินกำหนดนั้นต้องอาบัตทุกกฎในขณะที่ทำต้องอาบัตปะจิตตีเพราะได้มาต้องตัดออกแล้วแสดงอาบัต